เทศธรรมะปากไม่ได้ตั้งละโมลทะลึกนอบน้อมต่อไปพูดถึงเจ้าก็ทำประสงค์แล้วก็อธิบายไปเลยทีเดียวท่านผู้ฟังก็กรุณนา น, นั่งตามสบายทำความสงบใจไม่ต้องประนมมือก็ไม่เสียความเคารพขอให้ใจเคารพทำอยู่ภายในภายในความรู้สึกคือใจหรือไม่ให้ใจส่งไปในที่ต่างๆตามปกติของใจ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 ทุกๆคนพอได้โผล่ออกมาสู่ความเป็นมนุษย์ก็เริ่มผ่านโลกมาโดยลำดับจนกระทั่งถึงบัตรในเป็นเวลาหลายหลายเดือนหลายปีสิ่งที่เกี่ยวข้องกับความรู้สึกของเราคือใจนี้เราก็ได้รับทราบมาโดยลำดับ ทั้งดีทั้งชั่วทั้งได้ทั้งเสียทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งสรรเสริญสรรเสริญนินทาเพราะโลกเต็มอยู่ด้วยสิ่งเหล่านี้ทีนี้การเรียนทมการศึกษาทมการปฏิบัติธรรมเพื่อผลประโยชน์อะไรมีเป็นปัญหาอันหนึ่งที่ควรจะคิดอ่านกันเพราะศาสนานั้น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 ล่มมาจมมาทิบยหายวายป่วงต้องการหาคุณงามความดีหรือสิ่งที่เป็นกำไรติดตัวมาโดยลำดับหรือต้องการหลักฐานมั่นคงเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางด้านจิตใจของเราแม้แต่สิ่งภายนอกเรายังควนขวายเหมือนโลกทั่ ว, วไปก็เพื่อเป็นหลักฐานเป็นเครื่องประกันชีวิตเราเช่นตึกรามบ้านช่องหรือบ้านเรือนอาหารการบริโภคเครื่องนุ่ห่มเหล่านี้เป็นเครื่องประกันหรือเป็นเครื่อง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 เราจะเห็นคุณค่าของอาหารมากมายกลายกองในวันที่เราอดอาหารแต่ถ้ารับทานอยู่จิ๊บจิบจับจทั้งวันทั้งคืนไม่มีเวลาหิวโหวยเลยนั่นอาหารก็ไม่ค่อยสำคัญเพรามไม่ค่อยหิวเรื่องอยูเรื่องกินเลยกลายเป็นเรื่องสนุกสนานไปเสียก็ไม่มีอะไรสำคัญเพราะตัวเราไม่มีความสำคัญหาความทดสอบตนได้ยาก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 เพราะสิ่งจําเป็นเหล่านี้ธาตุขันนี้เป็นเรื่องใหญ่โตมากแม้จะเล็กๆก็ตามภูเขาทั้งลูกไม่ได้มีความจําเป็นอะไรกับโลกทักหนาแต่ธาตุขันของแต่ละรายละลายคือของแต่ละคนนี้มีความจําเป็นต่อตนมากเพราะเป็นภาระสําคัญที่เราจะต้องรับดูแลรักษาคือรับผิดชอบตลอดมาตั้งแต่วันอุบัติจนกระทั่งถึงวันสลายวายชนลงไปจะต้องในปฏิบัติรักษากันอยู่เพราะเป็นความจําเป็น ไม่ปฏิบัติรักษาไม่ได้นี่เราลองหยุดจะในสิ่งใดสิ่งหนึ่งดังที่กล่าวมานี้เราจะเห็นความสำคัญของถึงนั้นมากเพียงไรต้องรู้ขึ้นภายในตัวเองเฉพาะอย่างยิ่งเช่นเราเคยรับทานอาหารวันหนึ่งสามมือ้อแล้ววันนี้ไม่รับเลยไม่รับอะไรทั้งนั้นนอกจากน้ำแล้วความหิวจะแสดงขึ้นมากมาเพียงไรแล้วอาหารจะมีคุณค่ามากเพ่ยงไรนี่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 ศาสนาก็คือเครื่องหล่อเลี้ยง จ, จิตใจหรืออาหารทิพตอาหารธรรมนา ม, มาทำเป็นอาหารของใจนี่เป็นความจําเป็นหากไม่จําเป็นแล้วพระพุทธเจ้าจะไม่ทรงปรารถนาความเป็นปราสถนาเพื่อสั่งสอนโลกและพระโอเองก็ไม่ปรารถนาเป็นความเป็นพระพุทธเจ้าเพื่อพ้นจากโลกจากสงสารซึ่งเป็นกองทุกข์ทั้งหมดที่มีอยู่ในสามโลกนี้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 นอกจากจะไม่มีความรู้สึกใดๆเช่นเดียวกับหัวต่อเท่านั้นาศาสนาก็ไม่จําเป็นเพราะหัวต่อรับศาสนาไม่ได้ทําบาปทําบุญไม่เป็นภในโลกสวรรค์ยุพานติดคุกติดตารางก็ไม่เป็นเพราะหัวต่อแต่เราไม่ใช่หัวต่อเราเป็นคนทั้งคนเรื่องของาศาสนาจึงเป็นเรื่องจําเป็นสําหรับเราถ้าเราจะพิจารณาตามทางเหตุผลในความรับผิดชอบตนเองแล้วาศาสนากับเราก็แยกกันไม่ออกเราคือาศาสน า, สาศาสนาคือเรา เพราะเห็นลายถึงว่าอย่างนั้นศาสนาท่านสอนว่าอย่างไรท่านสอนในทางที่จะเป็นเป็นไปเพื่อความปลอดภัยจากตัวข้างเราเราเองในเมื่อการแสดงออกไมาจะแสดงออกไปในทางใดทางดีหรือชั่วที่จะให้เกิดความสุขความทุกข์ขึ้นมาต้องอาศัยแนวทางของศาสนาเป็นเครื่องพาให้เดิน แม้งั้นลําพังเรามันก็เดินไม่ถูกคนเราต้องการความสุขความเจริญด้วยกันแต่ไปโดนเราตั้งแต่ความทุกข์ความทุกข์เพราะเหตุไรก็เพราะเดินไม่ถูกศาสนาจึงเป็นความจําเป็นอย่างยิ่งคําว่าศาสนาก็ได้แก่คําสั่งสอนอันนี้พูดอย่างเพลินเผลินว่าคําสั่งสอนแยกออกมาโลกแล้วไม่ค่อยเต็มเม็ดเต็มหน่อยมันมีน้ําหนักเท่าที่ควร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 กลยเป็นหมายป้ายทางออกไปเป็นแบบแปนแผนผังแสดงออกมาเป็นลักษณะท่าทางอย่างนั้ น, อ ย, น, น, นอย่างนี้นี่เป็นฝ่ายเหตุาให้ทําอย่างนั้นให้ทําอย่างนั้นแล้วจะประสบพบเห็นผลอย่างนั้นอย่างนั้นนี่ผลก็คือทำผลอันแท้จริงแล้วจิตใจของเรามีความต้องการความสุขความเจริญอยู่ตลอดเวลาและมีทางที่จะก้าวไปอยู่โดยลําดับไม่มีการยับยัง้ง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 ศาสนาจึงควรแก่มนุษย์เราทีนี้เราเป็นมนุษย์ทั้งขดแล้วศาสนานั้นเป็นอย่างไรกับเราวัานคืนปีเดือนล่วงไปล่วงไปล่วงไปความรู้สึกของเรามีอย่างไรบ้างที่จะตั้งหลักตั้งฐานอันเป็นสิ่งแน่นหนา ม, มั่นคงคือสาระคุณขึ้นภายใน จ, จ, จิตใจเราได้สร้างมากน้อยเพียงไรอะไรจะมีความสมบูรณ์ก็าตามสิ่งนั้นก็สมบูรณ์แต่อันใดที่บกพร่องเช่นสาเช่นธรรมเป็นเพื่องบอกพร่องภายใน จ, จ, จิตใจ ใจต้องจะต้องมีความบกป้องอยู่เสมอทั้งๆ ท, ที่สิ่งทั้งหลายมีอยู่เมื่อเป็นฉะนั้นจุดนี้เราก็ควรจะแก้ไข ridge, หรือส่งเสริมให้มีขึ้นมากเมื่อมีขึ้นมาแล้วก็ดีถ้ายังไม่มีก็ควรจะรีบเร่งผ่อายสร้างนั้นตั้งแต่บัดนี้เฉพาะอย่างยิ่งจิตตาภาวนาเป็นสิ่งสําคัญมากซึ่งจะทําให้เห็นประจักษ์ภายในจิตใจของตนเองเพราะเรื่องมีอยู่กับตัวการเกิดการตายไม่มีอยู่ในสถานที่ใดยิ่งไปกว่าอยู่ที่จิต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 แต่คนมีบาปอยู่เฉยๆก็ร้อนนั่งอยู่ก็ร้อนเดินอยู่ก็ร้อนยังไม่ตายก็ร้อนตายไปก็ร้อนเพราะความร้อนอยู่กับหัวใจไม่จะอยู่ในที่อื่นใดสิ่งอื่นเราเคยได้ศึกษาเราเรียนเราเคยได้ค้นขวาแต่จิตของเราซึ่งเป็นตัวแสดงและคร อ, อยู่ตลอดเวลาทั้งวันทั้งคืนเดินเดินดังนนนี้เรายังไม่ค่อยได้พิสูจน์กันว่ามันคิดเรื่องอะไรบ้างมันคิดหายาพิษหรือหาภัยอะไรมาเผาหล่นตนเอง ทั้งวันทั้งคืนนี้เราไม่ค่อยได้คิดไม่ค่อยหาอุบายแก้ไขและไม่สนใจที่จะแก้ไขจึงต้องแบกแต่ทุกข์ทั้งวันทั้งคืนเดินเดินดนั่งนอนไม่ว่าจะเป็นชาติชั้นบรรดาใดก็ตามหลีกเล้นความทุกข์เหล่านี้ไม่ได้เพราะจิตเป็นผู้สร้างขึ้นด้วยกันไม่ใช่ผู้อื่นใดเป็นผู้สร้างให้แล้วอุบายวิธีที่จะเราจะแก้ไขสิ่งเหล่านี้เราจะแก้ไขได้ด้วยวิธีใดหลักสําคัญก็คือพยายามฝืน เมื่อทราบแล้วว่าสิ่งนี้ไม่ดีก็พยายามฝืนแก้ไขไม่ให้เป็นไปตามความอยากความต้องการนั้นนั้นประการหนึ่งประการสําคัญก็คือฝึกขัด จ, จิตใจธรรมดาของ จ, จิตใจต้องมีความคิดความปรุงอยู่เสมอบล็อกแวดคอนแวนไม่มีอะไรที่จะคิดจะปรุงอย่างรวดเร็วยิ่งกว่าใจแต่เมื่อในอาศัยหลักธรรมมีสติเป็นต้นและมีคําบริกรรมแห่งคํามคำใดคำหนึ่งเช่นพุโทโธหรืออนาปานัสติเป็นต้น เข้าเป็นเครื่องกำกับใจให้มีสติรับรู้อยู่กับคำบริกรรมนั้นๆไม่เผลอไปสู่อารมณ์อื่นๆใดทั้งหมดในขณะที่ทำนั่นแหละจิตจะได้รับความสงบลงเพราะทำหมดนั้นๆด้วยสติควบคุมเมื่อใจมีความสงบแล้วเราก็จะเห็นสาระขุณขึ้นภายในตัวของเราเองแล้วเราจะได้เห็นโทษแห่งความเพลียล่อนแห่งความไม่มีหลักมีเกณฑ์ของตัวเพราะความไม่มีหลักมีเกณฑ์ถ้าเรายังไม่มีสิ่ง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 ปัจจุบันวันนี้ก็มีเวลาต่อไปอนาะคตข้างหน้าก็จะมีเวลาจะ ม, มีเวลาจริงๆเหรอน่ะถามที่ของลวงปู่บนเวลาตายทำไมมีเวลานานมันได้เวลามาจากไหนมันถึงได้ตายเพียงเท่านี้มันก็สะดุดใจในขณะที่ตายแล้วเราจะทำไงเห็นจะมีได้ฆ้ามากุชลาทำมากุชลาทำมาเอาเงินไปกินเฉยๆมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไร ให้สร้างกุศลาขึ้นภายในจิตใจของตนให้มีความเฉลียวฉลาดต่อความเป็นดุความเป็นไปของ จ, จิตใจนี่แหละชื่อว่ากุศลาแท้สร้างความเฉลียวฉลาดขึ้นภายในตนให้เป็นที่มั่นใจได้ในจุดนี้แล้วตายแล้วใครจะกุศลาให้กุศลาไม่เห็นเป็นปัญหาอะไรพระพุทธเจ้าสอนให้มีความฉลาดในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ไม่ใช่ตายแล้วนิมนต์ภาพกุศลาทํามาย ก, กวันไปข้ามไปสวรรค์นิพพานซะันหมดดังนั้นจะมาปฏิบัติศาสนาให้หนักให้ลําบากทำใหม่ เช่นอย่างหลวงตาบัวนี่ก็เหมือนกันไม่มาบวชให้เสียเวลาเวลาลําบากลําบนเหนือเกินตายแล้วก็คือบวชพระปัวตาไว้สักองหนึ่งพอจะยกขึ้นคนไปสวรรค์ปณิพาน์จะให้หมดครตายกับกุศลาธรรมมากุศลาธรรมมาเรื่อยยกไปสวรรค์นิพัน์กันจะหมดแต่นี้มันไม่เป็นเช่นนั้นถ้ากุศลาธรรมมาคือความฉลาดไม่มีอยู่ภายในติดภายในตัวแล้วจะทํำย่าไๆมันก็อย่างนั้นละ่ะยกมากี่กัมภีรพระไตรปิฎกมาสวดกันนั่นก็เท่านั้นแหละ เพราสวดออกจากป่านี่ตังหามันจะไ ป, ปำบำเพ็ญที่เลียดศัสนาสำหรัความชั่วของคนผู้นั้นๆได้อย่างไรฮะทําท่านปราบที่เลีดของของผู้บําเพ็ญทำตังห่ะการทําบุญให้ทานในขณะที่ตายแล้วไม่ได้ปฏิเสธว่าไม่เป็นบุญไม่ได้เป็นกุศลถ้าอยากเห็นความสํคาคัญยิ่งกว่านั้นก็ไปอีกว่าสร้างกุศลาคือความฉลาดให้แก่ตนเสียในบัดนี้ตายแล้วใครจะมากุศลาไม่กุศลาอย่าจะไปวิตกวิจารอย่าไปห่วงไปห่วง ข้าวที่เขาอุทิศให้ของเขาอุทิศให้ส ร, ร้างจะให้พอตั้งแต่บัดนี้เต็มตัวไปแล้วใครจะอุทิศให้ไม่อุทิศให้ไม่สําคัญเพราะเราเต็มภูมิเราแล้ ว, ลวไปอย่างสบายหายห่วงนี่เป็นหลักประกันตัวได้อย่างแน่นอนเวลานี่ใจเรามันโง่หรือมันฉลาดความฉลาดในใจเราทุกวันนี้มีแต่กิเลสพาให้ฉลาดทั้งนั้นเพราะนั่นจึงพาให้เราจมเสมอด้วยความทุกข์ความลําบากถ้าฉลาดด้วยธรรมแล้วเราจะมีความคล่องแคล่วแก้วกล้ามีความ ของสายมีความสงบเย็นใจภายใน จ, ใจิตใจนี่ชื่อว่าความฉลาดในธรรมนาบุคคลให้รับความสงบสุขร่มเย็นทั้งปัจจุบันและอนาคตข้างหน้าชื่อว่ากุศลาธรรมมาพาอยู่พาไปอย่างๆหลการเรียนให้ทํามคำพีเวลานั้นไม่ได้ปฏิเสธเรียนเท่าไหร่ประเดียนเถอะถ้าไม่สร้างภายในจิตใจเพื่อให้มีความเฉลียวฉลาดแก้กิเลสอันเป็นตัวโง่อยู่ภายใ น, ในจในนิตใจนี้แล้วแบกคมภีร์ไปห้าร้อยคมภี์มันก็เป็นแต่คำพีนะเจ้กิเลสก็เต็มหัวใจอ ย, อยู่เช่นเดิมไม่มีอะไรแต่ วิทยาท่านสอนลงมาที่นี่อันนั้นเป็นเข็มพิษทางเดินท่านสอนให้เขามาอยู่นี่ตัวกิเลสตัณหาตัวทุกตัวภัยทั้งหลายมันเกิดที่ใจเรียนก็เรียนทั้งนู่นแล้วก็ย้อนกข้ามาสู่ตัวกิเลสตัณหาอาชาวานั่นเป็นชื่อของกิเลสตัณหาอาชาวะที่มีอยู่ในหนังสือนั่นเป็นชื่อไม่ใช่ตัวกิเลสอย่างแท้จริงไม่ใช่ตัวผู้ ก, ก่อกองทุกข์ให้บุคคลให้สัก ตัวก่อจริงๆมันอยู่ที่ใจเพราะฉะนั้นเมื่อเรียนรู้แล้วจึงย้อนกข้ามาสู่ที่ใจจับเอาตัวมันรู้ชื่อมันแล้วตามจับตัวมันให้ได้ให้ทันชื่อว่าผู้ฉลาดฉลาดฆ่าที่เละฉลาดฆ่าความโลภความโกรธความหลงของตัวเองออกได้โดยลําดับลําดับก็ค่อยเบาไปเบาไปคนมันหนักคนมันทุกข์เพราะความโลภเพราะความโกรธเพราะความหลงไม่ใช่มีความสุขความสะดวกสบายเพราะความโลภความโกรธความหลงมันเป็นทุกข์เพราะสิ่งเหล่านี้สิ่งเหล่านี้เป็นภัย ธรรมะจริงต้องสอนให้แก้ให้ปราบตามสิ่งอย่างนี้ให้มันหมดไปหมดไปแล้วความถูกไม่ต้องถามมันเกิดขึ้นมาเองอสร้างที่ตรงนี้อย่าให้ถึงไม่ร่เวลาเอาเขาเอาเข้าลงแล้วเข้าลงโป๊กโ ป, ปกปกรับสินนพ่อนรับสินนแม่แะตั้งแต่ยังมีชีวิตอยู่ไม่สนใจกับอัดกับทำรรจะเอาสินมาจากไหนจะไปรู้สินุตธรรมจากไหนถ้าไม่รู้ตั้งแต่ขนาที่ยังมีชีวิตอยู่เราควรจะรู้จะตั้งแต่บัดนี้หารู้สินูตธรรมภายในจิตใตั้ง แ, แ, แต่บัดนี้แล้วบำเพ็ญให้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 มีความหวังอะไรจากพวกเราเลยสาสนาธรรมที่ประกาศวันนี้ด้วยพระเมตตารุ่นดวงเรายังไม่มีความเมตตาต่อเราแล้วก็สูดวิสัยที่ ท, ทําให้เราแทรกถึงใจได้แล้วตายแล้วก็ไปบนกองทุกขอยู่ในภาในจิตใจแล้วลงมานโลกแล้วนี้จะไปแก้ไขกองทุกข์ในโลกมันมีเหรือปฏิคุกจิตรักกงแล้วก็จะไปแก้ไขกฎกหมายเขาได้หร่อมันแก้ไม่ได้เมื่อเข้าถึงนั้นแล้วต้องแก้ตั้งแต่ยังยังไม่ถึงตัวเชียงยมาติดคุกเรียบแก้ตัวเสียตั้งแต่บัดนี้ดังเมตตาเขาแก้เสียตั้งแต่บัดนี้ชื่อว่ามนุษย์ฉลาด นี่ท่านเป็มนุษย์ฉลาดเป็นอย่างนี้ขนาดเอาตัวรอดฉลาดปวดเครื่องสิ่งที่เป็นภัยแก่ตนเองให้มีแต่ความดีโดยลําดับลําดับวันคืนปีเดือนมันล่วงไปล่วงไปชีวิตจิตใจก็ล่วงไปล่วงไปสังขารร่างกายค่อยเสื่อมโทรลงไปโดยลําดับลำดับมันจะเจริญไปที่ไหนมีจะเจริญไปถึงปัจฉาเท่านั้นมีเท่านั้นโลกอ่ะใครจะว่าว่างมามีว่าสีว่าสุขว่าฉเฉลียวฉนาดขนาดไหนก็มีแต่ความสําคัญมันหมาเอาเฉยเฉยเมาลมกันเท่านั้นเองความกิน คือความเย็นใจไม่มีติดตัวแล้ววันยัางค่ำ ม, มันก็ทุกอยู่นั่นแหละไปพบไหนก็ไปเธอเรื่องความจริงจะต้องเป็นทุกอยู่เรื่อยไปนั่นแหละหาความสุกไม่ได้ไอความเจ็ดสันปัญยารู้ความสาคัญตนนี่มันหลอกเนอะเราอย่าไปหลงมันหลอกมากนะักให้ดูจิตใจตัวที่แบกสุบแบกทุกอย่านี้ส่วนมากมันแบกแต่ทุกให้ดูตัวนี้ตัวนี้เป็นยังไงเขาว่าเราฉลาดเราฉลาจริงไหมให้ดูตัวนี้มีโลกธรรมตัวนี้ถ้าดูนี้โดยระดับระดับแล้วมันจะสบายหาย ห, ายห่วงไปแต่ก็ตายไปเธอ ไม่ยากไม่ลบากอะไรเลยเรื่องการเกิดการตายเป็นของของคู่เคียงกันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วกัวเป็นไปไหนกลัวไปไห น, หไไหนไมันก็อยู่กับเราเราวิ่งตวามตายมันก็อยู่กับเรามันก็วิ่งไปตามเรานอนความตายก็นอนเรานั่งความตายก็นั่งเฮาเดินความตายก็เดินมันเดินไปตามเราพอถึงว า, าสุดท้ายแล้วตาย เ, าเยกิดการตายเป็นของคู่กันในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ให้สร้างเสียอันไหนที่จะเป็นไปเพื่อผลเพื่อประโยชน์แก่ตนอย่าให้เสียท่าเสียทีที่เกิดมาเพราะพุทธศาสนากอดกองมหาสมบัติอยู่แต่ ไม่ได้อะไรเป็นสาระแก่ฉาระอะไรเลยนี่ก็รู้สึกว่ามันโง่เกินไปมนุษย์เราพระพุทธเจ้าเป็นจอมปราดฉลาดแหลมคมที่ถุกแก้กิเลสจากพระองค์ได้แล้วสั่งสอนโลกด้วยพระเมตตาเราพูดที่จะรักข้อปฏิบัติจากท่านมาพูดปฏิบัติเพื่อเป็นสาระคุณแก่เราเท่านั้นเรายังปฏิบัติไม่ได้เราเจอหวังความสุขความเล์จากที่ไหนจากอะไรจากโลกไหนฮมันไม่มีทั้งนั้นล่ะคือความหมดหวังอยู่ไหนมันก็หมดหวังถ้าไม่สร้างความหวังให้ตนเอง เสยั้งแต่ที่มีชีวิตอยู่นี่ชื่อบุคคนฉลาดฉลาดอย่างนี้แล้วการแสดงธรรมนี้ก็ต้องขอภอภัยเท่นพุทธโททธโทนี้ให้มีความรู้สึกอยู่กับคําว่าพุทธโธมีความรู้สึกอยู่กับนั้นนี่เมือ่อเมื่อคำใบกรรมเราสืบต่ออยู่ด้วยควา ม, มรู้ลึกๆคือสติอยู่กับงานนี้แล้วโดยสมัครเสมอแล้ ว, ลวความรู้สึกที่มันเคยคิดสร้างในเที่ต่าง ๆ, ๆนี่ค่อยรวมตัวข้ามารวมตัว เข้ามาสู่จุดนี้นี่ท่านที่ท่านเรียกว่าจิตสงบือจิตรวมหมายถึงอย่างนี้คือรวมตัวเข้ามาน่าหนักการที่เราจะเห็นความแปลกภายในตัวงเราซึ่งไม่เคยเห็นมาเลยแต่ก่อนทางด้าิจิตก็มีอยู่กับตัวแต่ไม่ทราบมาจิตเป็นยังไงนี่จะรู้เลยถือเหมาทั้งตัวนี้ว่าตัวเราทั้งหมดนี่ก็คือผู้รู้นั่นเองเมื่ออันนี้มันฉลายแล้ว ผ, ผู้รู้มก็หมดปัญหา มันพัฒนาไปด้วยการเป็นลนักษณะอย่างนั้นคนที่ ท, ที่ที่มีความรู้สึกรู้มีความเห็นว่าตายแล้วศูญมกักจะคิดอย่างนี้พ้าจับตัวตัวสําคัญนั้นไม่ได้ตัวผู้ว่ามันตายแล้วสูญไมันด้นั่นแหละพูนั้นแ่ะพูไม่สูะผูดมันว่ายนั่นแหละแต่มีอันหนึ่งเข้าแทรกมันหรือว่าเป็นเครื่องหนุนหลังมันให้เป็นความเข้าใจไปอย่างนั้นว่าสูญเฮ้สูนไหมครับทั้งที่พูดนี้นไม่สูนะ เวลาเราเรียนนี่ปฏิบัติอย่างนี้นั้นมันเข้าสัญหาตัวจริงตามมันเข้าไปตามเข้าไปจนมาถึงตัวจริงเมื่อถึงตัวจริงด้วยตัวเองรู้ด้วยตัวเองแล้วใครจะพูดละไรไม่สนใจฟังพอความจริงก็รู้อยู่กับใจนี้แล้วที่ขึ้นอยากกล่าวเพียงว่าการเดินตรงกรมเดินที่กีใดาที่จะถูกนะกีหยาของการเดินยรงกลมก็แล้วก็เดินกลับไปกลับมา แต่ความระลึกลู่เราให้ที่กิตทํางานก็ให้ทํางานอยู่ภายในเราดังที่เคยถามเช่นกําหนดพุดโทโธก็เดินไปก็ให้รู้อยู่กับพุโทโธเราเดินกลับไปกลับมาเขาถูกอาการของการเดินนั่งเราจะนั่งแบบไหนก็ได้แต่ที่ท่านนั่งขัดอะไรสมาธิเพชรหรืออะไรนั่นเรื่องความเสมอ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 ไม่ก็เห็นความต้องัาขต้องการนั่งสมาธิเวลานั่งนานๆเนี่ยมันมันลงเสมอกันขณะที่กำหนดจุยทุกเทุกเทวจาเป็นที่จะต้องทราบตราหนายถึข้ออกไรเราต้องการทราบก็ได้ก็ได้ไม่ขัดข้อง ไม่ไม่เป็นอุปสรรคต่อกันแต่าเวลาหนดจิตให้อพุ ท, ทุททยอย่างเดียวเราเอาใจอยู่กับพุ ท, ทยอย่างเดียวโดยที่ไม่ได้รปบำนึงถงลใจชอกอจะไม่จ ะ, จะเป็นการสะดวก่้อาอันนี้ครเป็นตามมัธยสายของจของนะ <ừ. S 2> <ừ. S 1> ถ้าเจ้าของเห็นว่าอะไรสะดวกก็ก็ยึนด น, นั้นไว้อันนี้มันมันตามมัธยาสเยื่อจะดีทแสงของเราไม่เหมือนกันเร <ừ. S 2> <ừ. S 1> าจะตะกำหนด พุโทโธคือกําหนดลมหายใจตามด้วยพุโทโธเนี่ยก็ได้เดี๋ยวกำหนดเฉพาะพุโทโธก็ได้เดี๋ยจะสังเกตดูเฉพาะลมก็ได้แต่ส่วนมากถ้าจิตเรายังสติยังไม่ดีเนี่กําหนดเฉพาะลมนี่มันไม่ค่อยจะยึดได้หลักเท่าไหร่จึงต้องอาศัยคําบริกรรมอ